วันนี้ซื้อขาหมดที่ต้าครับเกียวการแลกเปลี่ยนซื้อขายการซื้อขายนะโอ้หน้าอะลยหน้าก้าวละหกสิบแผดเราถ้าใครดูในกิะดกนตังคานี่ต้นหน้าหนึ่งร้อสามสิบสี่รวานี้กังคานี่ว่าเรี่ยังาจบแล้วใช่ไหมครับในตังคาวาจบแล้วนะพอราะนี่ในทาในสมังตานะย พ่อวิญญาณดองนี้ยังไม่เสร็จนะการแ้กเปี่ยซื้อขายก็คือเอาเงินนะครับไปซื้อของนะแจะไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ครับวนี้หรือว่าเอาทองนะไปซื้อแลกไปขายนะ้รับขายเงินมานี่นะก็เป็นอาบัติสุขีและทั้งสองกรณีทั้งซื้อแล้วก็ขายเพราะไายไฟได้ไฟหนึ่งนั้นเป็นเงินทองก็แล้วกันนครับเป็นสุขีไปอีกติดนั่นทีนี้ท่านก็ยกตัวอย่างนะ เนื่องบาดสี่ใบเนี่ให้เราดูนะครับเพื่อเป็นข้อที่ใช้ว่าถ้าเกิดอิจฉาที่ขึ้นมาไอ้วัตถุนั้นควรจะทํำยังไงใช้ได้ไหมเมื่อวานพูดถึงบาดใบแรกใช่ไหมที่วิสุวรรางนร่างคองมาเกาะใช่ไหมครับและให้ไปจ้างช่างใช่ไหมให้ไปขุดแร่ถลุมแร่มาครับแล้วก็มาตีเป็นบาดเลยนะมาทำเป็บาดเลยเป็นแรกเนล็กนะครับถ้าใครนะ อไปที่อุตตติภนะเหล็กน้องพีเลยก็จะรู้จักคือมันจะมีหลุมนะครับเป็นหลุมค่อนข้างจะขุดไปและบริเวณนั้นมันจะมีแรล่เหล็กนี้ออกมาเป็นก้อนๆเลยนะนั่นแหละตอนนี้มีอยู่ใช่ไหมไม่มีไม่ใช่ข้อขุดไปแล้วเนแล้วมันยังมีหลุมมีที่นะที่ไข่หนึ่งครับนีที่จะพันมีอะไรครับ้อนมันมีนะพวกแร่หน่งต่างถ้ามัาจะมีแหล่งกบ อย่างเช่นทองใช่ไหมครับก็จะมีที่เยอะเท่ า, ทานั้นเหมือันนี้เหมือนกันก็เนี้ยไอเขาไปเอามาแต่นู่นไปขุดมาเลยนะแล้วมาถนุงทาเป็นบาทครับบาท น, นี้เนี่ยช่วยมาหาศพเยะเพราะว่ามันไม่มีเจ้าของเดิมเลยแต่ต้นใช่ไหมครับเพราะท่านไปทำมันต้องต้นจ้างเข้ามาใชครับไม่ได้ไม่ได้ท่านบอกว่าเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้เป็นศพเยะได้เลยะครับก็ยอยู่บายตรายๆนะอันนี้เนี่ย เอาไปทําไปอะไรก็ใช้ไม่ได้ทั้งอย่างใช่ไหมครับไปสายท่ามกลางสงไม่ใช้ไม่ได้ <c ười> รู้อย่งสลายง่ายนะครับหรือแม้สนามว่าโจรขโมยไปแล้วนะโจรขโมยไปแล้วได้คืนกลับมาก็ยังใช้ไม่ได้เลยครับแล้วช่วยแ่การได้อย่างนี้ไไม่ได้ทั้งอย่างเลยนี่ครับที่เมื่อวานนี้พูดฟังนะเดี๋ยวมันจะแป๊ดฟังอีกครั้งนะครับในในดีกานะท่านเจยา พูดถึงว่าไม่สามารถจะทำให้เป็นกับเพียงได้ด้วยวิบายะไรคํานี้ในข้าหมายเพราะว่านไงมาหมายเขาว่าด้วยการศึกในถ้ำกลางสมงครับอย่างนี้นะข้าวบะนี่เลยม า, า, าศมึกษาถ้ามทางสมงครับมันก็มันก็ใช้ไม่ได้นะทํากับเปีย้ยงไม่ได้ครับแล้วไม้แต่โจทิงออกไปได้คือมานี่ก็ไม่ได้นี่นะคำว่าให้เป็นกับเปียงได้คืออย่างนี้นะครับ ท่นบอกว่าคํานั้นน่ะท่านพูดท่านกล่าวไปแล้วนะครับประสงค์นะประสงน์เอาไอ้กระเบียบวัตถุคือบาทนั้นนะครับที่ตั้งอยู่ในรูปของบาทนั้นนะตั้งอยู่ในรูปของบาทครับหรือว่าตั้งอยู่ด้วยรูปของอแก้วมมกดาเป็นต้นนะครับอันเป็นวัตถุที่มีบาทนั่นนะเป็นมืนบอบาทนั้ะนมันเป็นมือเข้าเอาบาทไปขายไปทำอะไรก็แต่นะ ไปแรกเอาแก้มุกดาอะไรมาเนี่ยก็ใช้ไม่ได้พ่ออะไรท่านบอกว่าพ่อแม้ว่าวัตถุทุกกฎนะครับถ้าเราแก้มุกดาแก้วมณีที่มีค่านี่นะแม้วัตถุทุกกฎก็ดีนะครับแม้กับปิยวัตถุที่เอาทุกกฎวัตถุไปขายนะก็คือถ้าเราไม่ได้เอาเงินไปจ้างเขาเนแต่เอาพวกรัตนนพวกแก้มมณีแก้มมุกดาเนี่ยไปจ้างเ้าแทนนะครับและให้ทําเป็นบาปอนิยมานะ มันก็จะไม่ได้เหมือ น, นกันนะครับมึงเอาเงินไปจา้างเขาที่ไหนก็ได้เนกันแต่นะครับแต่ถ้าว่าพิสูจนั้นนะบบอกนี่นะให้จ่ายดุปิยะนะครับให้จ่ายดุปิยะอีก ด, ด้วยกับปุิยะวัตถุนะครับแรกทุกข์วัตถุนั้นอันนี้ก็หมายว่าให้จ่ายนะหมายให้ไปถ่ายนะครับเอาบาทนั่นนั่นหรือว่าวัตถุทุกขก์กดก็แล้วแต่ที่จเปลี่ยนมาแล้ว ไปขาเงินมาใช่ไหมครับขาเงินมาเลยแล้วก็ให้สละอนุติยะนั้นอย่างนี้นะะสามารถที่จะทำให้เป็นอ่ากับปิยะได้แก่ชนหลากหลายเลากอื่นให้เป็นตัวเงินมามันถึงจะมาสละได้ใช่ไหมครับแล้วก็มันจะควรแก่คนหลักอื่นเออวิธีอ็คือทำนะครับแบบนี้นะ จะไปขึ้น บ, บาทบาทใบที่สองอในมหาปจจุรีท่านกล่าวว่าพิสุได้รับลูปียะแล้วซื้อบาดได้ลุปียะนั้นเอเงินไปซื้อบาดมาเลยนะครับแม่บาดนี้ของพิสุนั้นก็เป็นอกกปียะไม่สมควรแม้แก่ศาสตรมิตรทั้งหา้าเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับท่าก็ใช้ไม่ได้เลยไม่ใช่แต่ว่าท่านลูเดียวนะแต่พิสุนั้นทําบาดนั้นให้เป็นกปียะได้นะครับ เหมือนกับไว้เมืกีนะอันนี้ทํากับปิยะได้จึงอยู่บาทนั้นจะเป็นกับปิยะได้ต่อเมื่อให้มูลค่าแก่เจ้าของมูลค่าและเมื่อให้บาทแก่เจ้าของบาทนะครับโอ้ลำบากจะทำไง ว, วิธีก็คือทําอย่างนี้นะครับเอาเงินไปคืนเจ้าของเงินเอาบาทไปคืนเจ้าของบาท <c oughs> มันจะไม่ได้เนี่ยเราจะทํางานดีเอาเงินเปคืนเจ้าของเงินเนี่ยเราก็ต้องเอาบาทเนี่ยไป ใครจ้ของบานแล้วเอาเงินกลับมาใช่นหครับไปได้เอาเงินกลับมานะซึ่สมัยนี้คงไม่ได้คนระับเร้วห้องเข้ามาแรกเนี่ยเราจะคืนแล้วก็เอาเงินกลับมาใช่ไครับถ้ายังไม่ได้แกะมันยังไม่ได้อะไรอ่ะ จ, จะได้นะนะครับนี่นะเอาบานคืออยยัญโยอัตมาไม่เอาแล้วนะฟ้องเงินคืนนะครับแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยก็ไปคืนเจ้าของเงินเสียเนี่นยทำอย่างไรนะครับ แล้วก็ที่สุดจะให้กับปิยพันธ์แล้วรับเอาไปใช้สอนสมควรอยู่แล้วถ้ามูลคือน้งหมอแล้วใช่ไหมบาทเงินเรื่องของเองินบาทคือเรื่องของบาทนะครับและเราก็ไปทำเป็นกับปิยะแทนนี่นะให้ใบโยบา ย, บายานะครับไปเอาบาทไปได้มาโดยกับปิยมุฮานนะหรือว่ากับปิยพันธ์ของเราเนะี่ยแหละล้วก็ไปไลกเอามาให้กับปิยมุฮานในนี้ได้ถึงจะได้ครับแต่สมัยนี้นะมันทำนี้ได้ไหม ความจริงนะมันนีก็ยากนะเราเอามาแลแกะกล่องแล้านะครับแล้วบางทีร้านก็อยู่ไกลนี่ก็มาใช้ด้วยแล้วนะเขาไม่รับคืนง่ายหรอก ม, มันลำบาก ท, ที่ว่ายิ่งเอาเงินไปคืนเจ้าของเงินนี่ลำบากเลยนะครับใครเป็นเจ้าของ <c oughs> เอไปอะไรนะกิออนนี่บอเจ้าไหนก็ไม่รู้นะครับมันรวมกันหมดแล้วนะว่าบ า, บ า, บ า, บ า, บาทละบาทละพันกว่าบาทใช่ไหมครับมันก็ลำบากสมัยนี้เขาใช้วิธีนะี่ ถ้าก็ใช้วิธีสลัดให้โยมโยมพ่อยมแม่หรือว่าให้กับปริยาการเข้าไปนะทำอย่างที่นาฎิการสารฐานแน่นอนนะครับแปลว่าถ้าเครื่องสาก็ถือไปแล้วนะถาวายขึ้นมาก็ควรนะรับในกรณีที่เราไม่สามารถทําอย่างนี้ได้นะแต่ถ้าสามารถทําำง่า้ก็ลองดูก็ได้นะครับถือว่าถ้าใครที่ไปเอาเ ง, งินทองไปซื้อของมเอาของไปเป็นเจ้าของเอาล้านก่อนได้เงินมาเอาเ ง, งินไปเเจ้าของเงินที ต่อไปสามบาทมที่สามนะฝากที่สู่ใดให้รับเอาดุิยาไว้แล้ ว, ป ไ, ว, ลวไปยังตระกูลช่างเหล็กกลับด้วยกับปิยากางโลกนรับท่าไม่ได้รับเงินเองแต่ท่านให้คนอื่นรับเงินใหค้ครับมีคนว่านัทายกว่านวิานวายาว่าน แ, แต่ท่านใช้คำพูดไม่ถูกแค้โยมเนี่ยรับเงินให้ท่านเลยนะครับแล้วก็ไปใช่ไหมตระกูลช่างเหล็กกลับด้วยกับปิยากางโลก เห็นบาทแล้วพูดว่าบาทนี้เราชอบใจและกับปิยาการลบให้รูปยันแล้วให้ช่างเห็นเหล็กตกลงเนี่ยเขาจัด ก, การได้เลยนะซื้อได้เลยนะครับถ้าพูดแค่นี้แหละแม้บาทใบนี้อันที่สูนนั้นถือเอาโดยกับปิยบุหาตอนที่พูดน่ยถูกใช่ไหมตอนที่ไปซื้อนะ่ยบอกว่าเราชอบใจแล้วก็ยกว่จาจัดการนเองนะครับอเป็นเช่นกับบาทบาทที่สองนั่นเอง จะเป็นอากาศเปียะเหมือนกันนะครับเพราะพิสูจน์ร่ำมูลค่าเพราะรับเงินทองมานตอนแรกใช่ไหมในการใช้หรือร่ำให้นะครับถึงเวลาตอนเป็นเสื้อท่านใช้กระปียหมูหายก็จริงแต่มันเปผ้าแต่ตอนแรกแล้วมันก็เลยใช้ไม่ได้นะครับไม่ควรใครนะครับถามว่านะครับเพราะเหตุไรจึงไม่ควรแก่ศาสตร์ธรรมกที่เนื้อแก้ว่าเพราะไม่เสียสละมูลค่า พ่อยังไม่ได้เสียสนามเงินทองเลยใช่ไหมเงินทองท่านรับมาแล้วก็ไปซื้อบาทมานะครับนึ่มันยังไม่ได้สนายเงินเลยนะมาเป็นตัวบาตแล้วอย่างเงี้นะเพราะนั้นไม่คุณกัใครเลยครับสามพันห้าบาตใบที่สี่นะครั บ, รร บ, า บ, า 4, รบอันหนึ่งที่สูใดไม่รับบุตรยะไม่รับเงินทองนะไปยังตะกูลช่างเหล็กพร้อมเกี่ยกับปิยาการโลกที่ทายกส่งมาว่าท่านจงซื้อบาตรถวายพระเถระ ตอ่มมันถูกต้องนะชายเขาจัด ก, การเองเข้าสั่งวายาเองนะครับให้ซื้อบาตรถวายพระใช่ไหมยิน้ากอไปที่ร้านแถวๆน้านะครับเห็นบัตแล้วให้กับปิยาการรับจ่ายกรนะหาปณะสั่งให้เขาซื้ออยู่นะครับตอนแรกมันถูกแล้วใช่ไหมแต่ตอนไปเอาบาตรมาจริงนะครับใช้คําพูดไม่ถูกไปสา่งเขาซื้อทีนี่ว่าเธอจงรับเอาการะหาปนะเหล่านี้แล้ว ให้บาทนี้นะครับแล้วได้ถือเอาไปก็สั่งเข้ามาอย่างนี้นะครับบาทนี้ไม่ควรแก่พิสูรรูปนี้เท่านั้นเพราะจักการไม่ชอบแต่ควรแก่พิสูรอื่นพราะไม่ได้า um ับมูลค่าอันนี้อย่างที่ว่าถ้าเราใช้โยมไปซื้อค่าซื้อของใช้คำพูดอย่างนี้เลยนะครับมันไม่ควรแก่ท่านหนึ่งเดียวนะแต่ควรแก่พิสูรรูปอื่นครับเพราะอะไรเพราะท่านมาได้รับเงิทองมานะ ไม่ร่ำเงินทอง ม, มานะครับเออตอนที่เป็นกะพียะบหารทายทุก็ถวายถูกต้องครับพี่ในเวลาไปหาของจีนอ่ะกลับไปใช้คำพูดไม่ถูกครับสายเขาซื้อให้จ่ายให้อย่หนูนะไม่ได้ครับได้ทราบว่ า, าอุปชาของพระมหาสมเาเถระมีชื่อว่าอนุรุทธเถระท่านบรรจุบาตแห่งปานนี้ของตนให้เต็มด้วยเนยใสแล้วสลาแกสแ่สมแก็ไปถวายแก่สมเนี่ย มันต้องทำพิธีอะไรมากนะครับเพราะว่ามันควรแบบไม่สุราศึกนะด้วยเกินยใสพวกเศรษฐีวิหารนี่แม้ของพระจุลนาเทนะผูุ้ศงสไตวพิโดก็ได้มีบาเช่นนั้นเหมือนกันพระเทนะสั่งให้มันจุบันให้เต็มด้วยในสายและให้เสียสลัดแก่สงดังนี้และนี้ชื่อว่ากัปปิยปัตนานจตุกะนะครับบาสีใบที่ไม่สมควรนะอย่างนี้ อก็ถ้าว่าพิสุไม่รับลูกพิยะไม่รับเงินทองเลยใช้กับพิยะบุหาน ม, มีวยาอะไรเสตงนะครับไปสุตกุลแห่ช่างเหล็กล้อด้วยกับพิยะการลบที่ทายกส่งมาว่าเธอจงซื้อบัตรถวายพระเถระเห็นบัตรแล้วกล่าวว่าบัตรนี้เราชอบใจหรือว่าเราจะเอาบัตรนี้ก็พูดอย่างนี้ได้นะครับว่าตมาจะเอาใบนี้แหละยก รือชอบใจใบนี้อันนี้ก็บอกไร้บอกให้นี้น ะ, ะแรกวแต่ปียากราแล้วจ่ายริปียานั้นให้แล้วให้ช่างเหล็กยินยอมตกหลงแล้วก็ซื้อให้เลยบาทนี้สมควรทุกอย่างควรแก่การบริโภคแม้เห็นพระพุทธเจ้าออทั้งหลายเนี่ยท่านก็จำได้ให้เราด้วยข้อนี้ก็จบ